วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่หพุพฤษภาคมพุทธศักราช2562เป็นวันหยุดทำงานอีกหนึ่งวันชาวพุทธเราผู้มีจิตศรัทธามีความเชื่อในคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้า ก็ได้มาวาัดกันเพื่อมาปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อประโยชน์สุขที่จะตามมาเรียกว่าเป็นการพัฒนาชีวิตของตนให้ดีขึ้นไปตามลำดับให้มีความสุขมากขึ้นให้มีสถานภาพที่สูงขึ้น สถานภาพทางจิตใจนี้จะสูงขึ้นได้นั้นอยู่ที่การกระทำของเราไม่ได้อยู่ที่การแต่งตั้งการแต่งตั้งเช่นยศต่างๆตำแหน่งต่างๆนี้แต่งตั้งกันได้แต่การที่จะทำให้เราเป็นมนุษย์หรือสูงกว่ามนุษย์เช่นเป็นเทวดา เป็นเทพเป็นพรมเป็นพระอริยบุคคลเป็นสิ่งที่แต่งตั้งกันไม่ได้ต้องเกิดจากการกระทำตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าพวกเราต้องการที่จะยกสถานภาพของพวกเราให้สูงขึ้น mm. เช่นตอนนี้พวกเราเป็นมนุษย์อยากจะพัฒนา ให้สูงขึ้นให้ไปเป็นเทวดาให้ไปเป็นพรหมไปเป็นพระอริยบุคคลเราก็ต้องมีการกระทำทางกายทางวาจาทางใจที่เรียกว่าเราต้องสร้างบุญบารมีกันเพราะบุญบารมีเป็นเครื่องปรับปรุงเป็นเครื่องส่งเสริม ใจิตใจของพวกเราให้เจริญขึ้นสูงขึ้นให้มีความสุขมากขึ้นไปตามลำดับไม่มีการแต่งตั้งกันตั้งไม่ได้ตั้งให้เป็นเทวดาไม่ได้ตั้งให้เป็นพรหมไม่ได้ตั้งให้เป็นพระโสดาบันไม่ได้ตั้งให้เป็นพราะอารหันต์ไม่ได้ตามแต่งเหล่านี้ เป็นตำแหน่งที่เกิดจากการปฏิบัติหรือสร้างบุญบา ร, รมีต่างๆถ้าพวกเราอยากที่จะให้จิตใจของพวกเราจเจริญขึ้นไม่เสื่อมลงเราก็ต้องพยายามมาสร้างบุญบา ร, รมีกันจะมารอให้พระพุทธเจ้ามาแต่งตั้งให้พวกเราเป็น พระโสดาบันไม่ได้แต่งตั้งให้เป็นพระอารหันต์ไม่ได้อันนี้ไม่มีใครแต่งตั้งให้ใครได้เป็นสิ่งที่เราจะต้องมาตั้งเราต้องแต่งตั้งตัวเราเองตัวเรานี่แหละเป็นผู้ที่จะสามารถแต่งตั้งให้เราเป็นอะไรก็ได้เป็นมนุษย์ก็ได้หรือเป็นเดรัจฉานก็ได้เป็นเปรตก็ได้ เป็นอสุรกายก็ได้ไปตกนรกก็ได้ไปขึ้นสวรรค์ก็ได้ไปเป็นเทพก็ได้เป็นพรหมก็ได้เป็นพระอริยบุคคลก็ได้ไม่มีใครแต่งตั้งเราได้เราต้องเป็นผู้แต่งตั้งตังตวเราเองด้วยการสร้างบุญบา ร, รมีต่างๆนี้เองดังนั้น ในวันที่เรามีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆถ้าเราต้องการให้ชีวิตของเราดีขึ้นสูงขึ้นมีความสุขมากขึ้นเราต้องมาสร้างบุญบา ร, รมีกันเมื่อเราได้เริ่มสร้างบุญบา ร, รมีแล้วจิตใจของพวกเราก็จะจะเริ่เติบโตขึ้นเหมือนต้นไม้ที่เราคอยหมานรดน้ำพรวนดินอยู่เรื่อยๆ เมื่อต้นไม้ได้รับการเติมน้ำลดน้ำพลนดินอยู่เรื่อยๆต้นไม้ก็จะเจริญเติบโตขึ้นไปตามลำดับถ้าปลูกต้นไม้แล้วทิ้งไว้ไม่ลดน้ำต้นไม้นี้จะไม่มีวันที่จะเจริญงอกงามขึ้นไปได้นี่คือเรื่องของจิตใจของพวกเราทุกคนที่จะสามารถ ทำให้ดีขึ้นให้มีความสุขมากขึ้นได้ด้วยการสร้างบุญบรารมีต่างๆบุญบรารมีที่เราต้องเริ่มสร้างกันข้อที่หนึ่งก็คือเมตตาบารมีเมตตาบารมีนี้เป็นเหมือนเป็นบรารมีพื้นฐานเหมือนกับเวลาที่เราจะสร้างบ้านสร้างอาคารเราต้องทํามีรากฐานไว้ก่อน ต้องทำรากฐานเพื่อรองรับเสารับรองตัวอาคารถ้ารากฐานไม่แข็งแรงถ้าสร้างตัวอาคารขึ้นไปตัวอาคารก็อาจจะถล่มลงมาได้ถ้าไม่มีรากฐานที่แข็งแรงไว้รองรับตัวอาคารฉันใดการที่จะสร้างบุญบรารมีต่างๆขึ้นมาได้ จำเป็นต้องมีบารมีรากฐานก่อนบารมีรากฐานนี้คือความเมตตาความเมตตานี้จะทำให้เราสามารถไปสร้างบารมีชนิดอื่นได้เช่นศีลบารมีทานบารมีเนคข ม, มะบารมีอุเบกขาบารมีปัญญาบารมเีเก็จากการที่เราสร้างรากฐาน ไว้รองรับก่อนเหมือนเวลาที่เขาสร้างอาคารสูงๆใหญ่ๆเขาจะต้องตอกเข็มเพื่อให้ฐานรากของตัวอาคารนี้มีความแข็งแรงที่สามารถจะรองรับน้ำหนักของตัวอาคารที่สูงและใหญ่ได้ถ้าไม่มีการตอกเสาเข็มเราสร้างตัวอาคารขึ้นไปไม่ช้าก็เร็วตัวอาคารก็จะต้องทรุดลงมาอย่างแน่นอน ดการสร้างบารมีคือการสร้างการพัฒนาจิตใจของพวกเราให้สูงขึ้นให้ดีขึ้นให้มีความสุขมากขึ้นก็จาเป็นที่จะต้องมีฐานรากที่แข็งแรงฐานรากที่แข็งแรงแต่ออการพัฒนาจิตใจของพวกเราก็คือเมตตาบารมีนี้เเมตตาบารมีนี้เป็น คำสอนที่สำคัญของพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าทรงสอนให้พุทธบริษัทนั้นแผ่เมตตาให้ต่อกันแลกกันการแผ่เมตตานี้ต้องแผ่ด้วยการพบปะกัน เ, ออเช่นเวลาเราพบปะกันเราก็สามารถแผ่เมตตาให้กันได้เลยเช่นทักทายกันออถามสารทุกข์สุขดิบ อันนี้ก็เรียกว่าเป็นการแผ่เมตตาสวัสดีสบายดีหรือส่งรอยยิ้มให้ต่อกันละกันอันนี้ก็เป็นการให้ความสุขต่อผู้อื่นเพราะเวลาผู้อื่นเขาเห็นเราทักทายเขาส่งรอยยิ้มให้กับเขาเขาก็เกิดความสุขใจขึ้นมาหรือว่าถ้าเราอยากจะให้เขามีความสุขเรามีข้าวของเงินทองอะไรที่ เราอยากจะแบ่งให้คนอื่นเราก็เอามาแจกกันเวลาเอาเข้าวของมาแจกให้กันนี้ทุกคนจะยิ้มย้มแจ่มใสทุกคนจะมีความสุขนี่คือการแผ่เมตตาคือการทำความดีต่อกันให้ความสุขต่อกันไม่ทำร้ายกันไม่พูดไม่กระทำที่จะทาให้ผู้อื่นเขาต้องเจ็บทางร่างกายหรือเจ็บทางจิตใจ แล้วถ้าเขาเดือดร้อนต้องการความช่วยเหลือพอมีอะไรที่จะช่วยเหลือกันได้ก็ช่วยเหลือกันไปหรือเวลาที่เกิดมีการทะเลาะเบาแวงกันมีการพูดมีการกระทำอะไรที่ทำให้เกิดความเสียใจทำให้เกิดความโกรธก็ควรจะให้อภัยกันอย่าถือโทษโกรธเคืองกัน ให้อภัยกันไม่จองเวรจองกรรมกันนี่คือการแผ่เมตตาเราแผ่ด้วยการพบเวลาที่เราพบปะกันไม่ใช่แผ่ตอนที่เราอยู่คนเดียวอย่างที่เราคิดกันคือเราชอบไปแผ่ตอนที่เราไหว้พระสวดมนต์เสร็จแล้วเราก็สวดบทสัพเพสัตตาอเวราหหนตุอันนี้ไม่ได้เป็นการแผ่เมตตา พาอไม่ได้แผ่อะไรไปไม่ได้ให้อะไรไปและไม่มีผู้รับอะไรจากการสวดของเราการสวดบทแผ่เมตตานี้เป็นการสอนใจเป็นการเตือนใจให้รู้จักวิธีแผ่เมตตาเช่นอเวราโหนตุคืออย่าจองเวรจองกรรมกันให้อภัยกันอะนิคาโหนตุ อย่าทำร้ายร่างกายและจิตใจของกันและกันอปยาปชาโหตุอย่าเบียดเบียนกันสุขีอัตานังปะลิหารันตุให้ความสุขต่อกันและกันการที่เราจะแผ่สิ่งเหล่านี้ได้เราต้องมีผู้รับเราก็ต้องแผ่ตอนที่เราพบปะกับคนนั้นคนนี้หรือ ถ้าไม่เป็นคนก็เป็นสัตว์เดรัจฉานก็แผ่ได้เช่นเรามีพบสุนัขพบแมวจรจัดเห็นเขาไม่มีที่อยู่ไม่มีอาหารเราก็เอามาเลี้ยงอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นการแผ่เมตตาว่ามีการให้และมีการรับมีผู้ให้และมีผู้รับมีผู้ให้ความเมตตาและมีผู้รับความเมตตา ถึงจะเรียกว่าแผ่เมตตาไม่ใช่แผ่เมตตาด้วยการสวดสัพเพสัตตาอเวลาโหนตุก่อให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงอยามีเวรกันเถิดสวดไปแต่เวลาไปเจอใครทะเลาะกันก็ไปทุบไ ป, ปตีกันอย่างนี้ไม่ไม่ได้เป็นการแผ่เมตตาแผ่เมตตาต้องแผ่ตอนที่เรามีผู้รับและมีสิ่งที่เราจะให้เขา เช่นเขาทําให้เราโกรธเราก็ให้การให้ความอภัยไปให้อภัยทานไปไม่จองเวรจองกรรมเขาก็จะได้รับความเมตตาจากเราเพราะเมื่อเราให้อภัยเขาเราก็จะไม่ไปทําร้ายเขาไม่ไม่ไปด่าเขาไม่ไปทุบตีเขาแต่ถ้าเวลาเราโกรธแล้วเราให้อภัยไม่ได้ เลิกจองเวรไม่ได้เราก็จะคิดไปทำร้ายเขาเราก็จะด่าเขาจะไปทุบตีเขาไปทำร้ายเขาอันนี้คือการสร้างเมตตาบารมีเป็นความเป็นบารมีที่สำคัญอย่างยิ่งเพราะถ้าเราไม่มีความเมตตาแล้วเราจะไปสร้างบารมีอย่างอื่นไม่ได้เช่นศีลบารมีทานบารมี ต้องมีเมตตาบารมีนำทางก่อนถ้าเรามีความเมตตาแล้วเราก็จะไม่เบียดเบียนผู้อื่นเราก็จะไม่อยากฆ่าผู้อื่นไม่อยากลักทรัพย์ของผู้อื่นไม่อยากประพฤติผิดโระเวณีไม่ไปมีชู้กับสามีภรรยาของผู้อื่นไม่อยากจะโกหกหลอกลวงใครไม่อยากจะดื่มสุรายาเมาเพราะรู้ว่าเวลาดื่มแล้ว จะควบคุมสติไม่ได้จะไปพูดไปทำอะไรที่ทำให้เกิดความเสียหายต่อผู้อื่นได้ถ้าเรามีเมตตาบารมีแล้วเราก็จ ะ, จะเจริญศีลบารมีได้บารมีข้อที่สองจะตามมาคือถ้าเรามีเมตตาบารมีเราก็จะสามารถจเจริญศีลบารมีได้ ถ้าเราจะรักศีลบารมีได้เราจะปิดประตูอาบายได้เราจะไม่ต้องไปเกิดในอาบายอาบายนี้เป็นที่ไปของผู้ที่ทำบาปมีอยู่ห้ามีอยู่สีที่ด้วยกันคือเดชะฉานเปรตอสุรกายและนรกเนเป็นที่ไปของผู้ที่ทำบาปกันผู้ที่ไม่ถือศีลห้ากันะ แต่ถ้าได้ถือศีลห้าแล้วก็จะปิดประตูอาบายได้แลถ้าอยากจะมีเพิ่มความมั่นใจว่าจะไม่ไม่ักไม่ทำไม่ทาผิดศีลก็จะต้องหลีกเลี่ยงอาบายามุขด้วยเพราะอาบายามุขนี้เป็นเหตุที่จะพาให้ผู้เสพอาบายามุขต้องไปทำบาปต่อไปนั่นเองถ้าหลีกเลี่ยงการเสพอาบายามุขได้ ก็จะหลีกเลี่ยงการที่จะไปทำบาปได้นั่นเองเพราะเวลาไปเสพอบายามุขนีจ้จะมีแต่รายจ่ายจะไม่มีรายรับจะมีแต่ใช้เงินใช้ทองถ้าเสพอบายามุกอยู่บ่อยๆเงินทองที่มีจะร่อยหลอและจะไม่พอใช้พอไม่พอใช้ก็จะ ต้องไปหาเงินหาทองในวิธีที่ต้องทำบาปนั่นเองต้องไปโกหกหลอกลวงไปยืมเงินของคนอื่นโดยที่หลอกเขาว่าจะคืนให้เขาแต่รู้ว่าไม่มีปัญญาที่จะคืนให้เขาได้หรือถ้ายืมไม่ได้ก็อาจจะไปลักขโมยถ้าลักขโมยไม่ได้ก็อาจจะไปปล้นไปจี่ แต่ไปป้นไปจี่ก็อาจจะมีการต่อสู้กันก็อาจจะต้องมีการฆ่าฝันกันตามมาแต่ถ้าไม่เสพอบายามุขเช่นไม่ดื่มสรายาเมาไม่เล่นการพนันไม่เที่ยวเตะไม่เกียดค้านไม่คบคนที่ชอบอบายามุขเป็นมิตรโอกาสที่จะทำให้เราต้องไปทำบาปก็จะมีน้อยลงไป เพราะเงินทองที่เราหามาได้จะมีพอใช้นั่นเองถ้าเราใช้จ่ายเงินทองในสิ่งที่จาเป็นเช่นปัจจัยสี่มันก็จะไม่มากเหมือนกับเวลาที่เราไปใช้จ่ายให้กับอบายมุกอบายมุกนี้ยิ่งใช้ยิ่งยิ่งยิ่งมันยิ่งอยากจะใช้ยิ่งเที่ยวยิ่งติดยิ่งชอบเที่ยวยิ่งเดิมโซล่ายิ่งอยากจะเดิมโซลา ยิ่งเล่นการพนันก็ยิ่งอยากจะเล่นการพนันแล้วมันก็จะดูดทรัพย์ของเราที่มีอยู่ให้หมดไปพอไม่มีทรัพย์เราก็จะต้องไปทำบาปเพื่อหาทรัพย์มาอยู่ต่อไปนั่นเองดังนั้นถ้าเราสามารถดิบเลีเ่ยงอบายมุขได้เราจะรักษาศีลได้ถ้าเรามีความเมตตาเพราะถ้าเรามีความเมตตาเราก็จะไม่อยากจะ ทำให้ผู้อื่นเขาเดือดร้อนเสียหายจากการกระทําของเราเพราะผู้มีความเมตตานั้นอยากจะให้ผู้อื่นมีแต่ความสุขอยากให้ผู้อื่นอยู่อย่างปราศจากความทุกข์ทางร่างกายและทางจิตใจก็จะไม่เบียดเบียนกันจะรักษาศีลห้าได้อย่างสบายถ้าจเจริญบารมีสองข้อแรกนี้ได้ ก็จะปิดประตูอบายได้จะป้องกันไม่ให้จิตตกต่ำกว่าการมาเกิดเป็นมนุษย์ทุกภพทุกชาติที่มาเกิดจะไม่ไปเกิดในภพของอบายจะไม่ต้องไปเป็นเดรัจฉานจะไม่ต้องไปเป็นเปรตไม่ต้องเป็นอสุรกายไม่ต้องไปตกนรกเพราะว่าเหตุที่พาให้ไปตกนรกนั้นถูกกําจัดไปนั่นเอง คือการกระทำบาปการไม่รักษาศีลห้าเมื่อเราจเจริญศีบลบามีเราก็จะระ ง, งับการกระทำบาปเราจะระ ง, งับการฆ่าสัตว์ระ ง, งับการลักทรัพย์ระ ง, งับการประพฤติผิดประเวณีระ ง, งับการพูดปดลดระงับการดื่มสุรายาเมาและอบายามุขต่างๆ แต่นี่คือประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการสร้างบารมีสองข้อแรกข้อที่หนึ่งก็คือเมตตาบารมีเพราะถ้าเราไม่มีความเมตตาเราจะชอบเบียดเบียนผู้อื่นเมื่อเราชอบเบียดเบียนผู้อื่นเราก็จะรู้สรึกว่าการรักษาศีลนี้เป็นสิ่งที่ทําได้ยากแต่ถ้าเรามีเมตตาเราจะมีความ รู้สึกว่าการรักษาศีลนี้เป็นของง่ายเพราะว่าใจของเราไม่มีความปรารถนาที่จะไปเบียดเบียนผู้อื่นที่จะไปสร้างความทุกข์ความเสียหายให้แก่ผู้อื่นการรักษาศีลห้าก็จะเป็นไปได้อย่างง่ายดายดังนั้นเราต้องพยายามหมั่นเจริญเมตตาแผ่เมตตากันอยู่เรื่อยๆ เวลาที่เราพบปะกันพื้นฐานก็คือให้ความสุขต่อกันด้วยการทักทายกันยิ้มแย้มส่งรอยยิ้มให้ต่อกันส่งความปรารถนาดีให้ต่อกันแล้วถ้ามีเหตุการณ์ที่จะต้องให้อภัยก็ควรให้อภัยกันมีเหตุการณ์ที่จะต้องช่วยเหลือกันก็ช่วยเหลือกันไป ถ้ามีทรัพย์มากเกินกว่าที่เราใช้เองได้จะเอามาแบ่งปันให้แก่กันก็ได้เรียกว่าเอามาแชร์กันเอามาให้เพราะเก็บไว้ก็ไม่ได้ใช้ตายไปก็ไม่ได้ใช้ถ้าเอามาแบ่งปันกันเราก็จะได้สร้างบา ร, รมีอีกข้อหนึ่งต่อไปนอกจากศีลบา ร, รมีแล้วถ้าเราอยากจะให้จิตใจของเราสูงขึ้น การมีเมตตาบารมีกับการมีศีลบารมีนี้จะป้องกันไม่ให้จิตใจของเราตกต่ำจากระดับมนุษย์จิตใจของเราไม่ว่าจะมาเกิดกี่ภพกี่ชาติก็จะมาเกิดเป็นมนุษย์ไม่ต้องไปเกิดเป็นเดราชฉานไปเป็นเปรตเป็นอสุรกายหรือไปตกนรกแต่ถ้าเราอยากจะให้จิตใจของเราขึ้นสูงกว่าการเป็นมนุษย์ เราต้องมาเจริญทานบา ร, รมีกันฮะเราต้องมาเอาทรัพสมบัติข้าของเงินทองที่เรามีเหลือกินเหลือใช้หรือทรัพสมบัติเข้าของเงินทองที่เราเอาไปใช้ใจ่ายแบบไม่ไม่มีคุณมีประโยชน์คือเอาไปใช้กับการเสพกามหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลพทพะ เช่นเอาเงินไปเที่ยวเอาเงินไปซื้อของฟุ่มเฟือยเอาเงินไปซื้อของหรูหราการกระทําเหล่านี้เป็นโทษต่อจิตใจไม่เป็นคุณเป็นประโยชน์เพราะเป็นเหมือนกับเป็นการไปซื้อยาเสพติดพอถ้าเที่ยวแล้วซื้อของฟุ่มเฟือยแล้วซื้อของหรูหราแล้วมันจะติดและจะพยายามซื้ออยู่เรื่อยๆ แล้วก็จะทำให้ไม่มีเงินทองที่จะเอามาทำบุญทําทานหรือถ้ามีก็น้อยมากแบ่งมาเพียงเล็กๆน้อยๆทานบา ร, รมีก็จะไม่เกิดถ้าอยากจะสร้างทานบา ร, รมีถ้าเราคิดว่าเราไม่มีเงินจะมาทำทานบา ร, รมีเราดูซิว่าแล้วเรามีเงินไปเที่ยวหรือเปล่าเรามีเงินไปซื้อของฟุ่งเฟือยหรือเปล่า มีเงินไปซื้อของหรูหราหรือเปล่าถ้ามีก็แสดงว่าเรามีเงินที่เราจะเอามาสร้างทานบารมีได้คือเอาเงินที่จะไปเที่ยวนี่แหละเอาเงินที่จะไปซื้อของฟุ่มเฟือยเช่นซื้อกระเป๋าซื้อรองเท้าซื้อเสื้อผ้าซื้อแหวนซื้อสร้อยซื้อเครื่องประดับซื้อของอะไรต่างๆที่ไม่จาเป็นที่จะต้องซื้อเรียกว่าฟุ่มเฟือย หรือซื้อของแพงๆที่ไม่จำเป็นจะต้องไม่ต้องเสียเงินเพราะของนี่ของถูกก็ใช้ได้เช่นเสื้อผ้าเสื้อผ้าราคาถูกก็ทำหน้าที่ได้เหมือนกับเสื้อผ้าราคาแพงเสื้อผ้าเกมีไว้ปกปิดร่างกายป้องกันร่างกายจากภายัยจากอากาศหรือจากมาแมลงสั์กัดต่อยเท่านั้นเองจึงไม่ควรจะต้องเสียเงินทองมากมายให้กับเสื้อผ้า เอาเงินทางที่ใช้แบบฟุ่มเฟือยหรือใช้แบบหรูหรานี่เอาไปสร้างทานบา ร, รมีดีกว่าเพราะการสร้างทานบา ร, รมีจะทำให้จิตใจสูงจากมนุษย์ขึ้นสู่การเป็นเทวดานั่นเองถ้าไม่สร้างทานบา ร, รมีเพียงแต่มีศีลบา ร, รมีก็จะไม่ได้ไปเกิดปนสวรรค์เวลาที่ร่างกายนี้ตายไปแล้ว จะได้แค่การกลับมาเกิดเป็นมนุษย์แต่ถ้ามีศีลบา ร, รมีแล้วก็มีทานบา ร, รมีจิตใจก็จะขึ้นสู่ระดับของเทวดาตายไปก็ไปเป็นเทวดาก่อนไปอยู่แบบเทวดาที่สบายกว่าอยู่แบบมนุษย์อยู่ไปจนกว่าอำนาจของบุญคือทานบา ร, รมีนี้หมดลงก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ เพื่อที่มาพัฒนามาทำบุญมาสร้างบารมีต่างๆใหม่ต่อไปนี่บารมีข้อที่สามที่เราควรจะสร้างกันถ้าเรามีเมตตาบารมีแล้วเราก็จะสร้างศีลบารมีได้ง่ายสร้างทานบารมีได้ง่ายเพราะว่าคนที่มีความเมตตาก็อยากจะให้ผู้อื่นมีความสุขนั่นเองสุ ข, ขีอัตานังปะลิหะรันตุ ขอให้มีความสุขรักษาตนเถิดจะทำไงให้เขามีความสุขรักษาตนก็ให้ความสุขกับเขาไปสิเรามีเงินทองให้เขาไปแล้วถามก็สุขไม่สุขสุขหรือทุกข์รับรองได้ว่าไม่มีใครบอกว่าทุกข์เวลารับเงินรับทองจากเราเนี่ยเห็นแต่ยิ้มแย้มแจ่มใสเห็นแต่มีความสุขถ้าอยากจะให้เขามีความสุขรักษาตน ก็ให้ความสุขกับเขาเช่นให้ข้าวของเงินทองไปมีของใช้ไม้สอยมีเสื้อผ้ามีอะไรที่เรามีเหลือเฟื่อมากจนเกินไปเก็บไว้ก็ไม่ได้ใช้เอาไปทำบุญทำทานดีกว่าจะได้ทานบารมีจะได้พัฒนาจิตใจจากการเป็นมนุษย์ให้ขึ้นไปสู่การเป็นเทวดาได้ไม่ใช่จะเป็นเทวดาเฉยๆด้วยการ ตั้งจิตอธิษฐานขอให้เป็นเทวดาขอไม่ได้ตั้งไม่ได้ต้องทำเท่านั้นทำด้วยการสร้างทานบารมีทำบุญทำทานไปเรื่อยๆแล้วจะเป็นเทวดาเทวดาก็มีหลายชั้นเพราะบุญที่ได้จากการทำนี้ก็มีหลายระดับทำมากทำน้อยนั่นเองทำมากก็จะได้บุญมากได้ความสุขมาก ทำน้อยก็ได้ความสุขน้อยได้บุญน้อยั้นถ้าอยากจะได้บุญมากๆอยากจะมีความสุขมากๆอยากจะเป็นเทวดานานๆอนยากจะเป็นเทวดาที่อยู่ชั้นสูงสูงๆก็ต้องทำบุญมากๆเอาเงินที่จะไปเที่ยวไปทำบุญดีกว่าเอาเงินที่จะไปซื้อของฟุ่มเฟือยที่ไม่จำเป็นจะต้องซื้อเอาไปทำบุญดีกว่าเอาบุนที่จะซื้อของหรูหรา เช่นซื้อรถนี้เลือกซื้อได้ขันละล้านหรือขันละห้าล้านมันก็เป็นรถเหมือนกันซื้อมาแล้วซื้อรถห้าล้านก็ไม่ได้ทำบุญถ้าซื้อรถหนึ่งล้านเหลือสี่ล้านเอาสี่ล้านไปทาบุญได้สองอย่างได้รถด้วยได้เป็นเทวดาด้วยดีกว่าได้รถราคาห้าล้านตายไปก็ไม่ได้ไปเป็นเทวดา ก็ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วก็อาจจะต้องกลับมาเริ่มต้นที่ศูนย์แต่ถ้าทาบุญซื้อรถหนึ่งล้านแทนที่จะซื้อรถห้าล้านแบ่งเอาไปสี่ล้านเอาไปทาบุญเพราะรถมันก็เป็นรถเหมือนกันจะลดราคาหนึ่งล้านหรือห้าล้านมันก็วิ่งไปถึงจุดหมายปลายทางได้เหมือนกันถ้าเราแบ่งมาสักสี่ล้านเอามาทาบุญทาทาน ซื้อรถสักล้านหนึ่งเราก็ได้รถไปไหนมาไหนได้สะดวกสบายแล้วเรายังมีบุญอีกสี่ล้านเอาเงินไปทำบุญอีกสี่ล้านได้เป็นเทวราร ะ, ระดับสี่ล้านแล้วเวลาเรากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่เราไม่ต้องไปเริ่มที่ศูนย์เราไปเริ่มที่สี่ล้านเพราะเงินที่เราทำบุญสี่ล้านนี้มันไม่หายไปมันจะรอเราอยู่เวลาเรากลับมา เพราะเงินที่เราทำบุญนี้ก็เหมือนเงินที่เราไปฝากธนาคารนี่เองนอกจากจะมีต้นแล้วยังมีดอกด้วยทาบุญสี่ล้านกลับมาเกิดใหม่คราวหน้าอาจจะได้มากกว่าสี่ล้านดูพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างตอนที่เป็นพระเวชสันดรท่านก็ทำบุญอย่างสุดๆมีมากมีน้อยท่านก็ทำพอตายไปท่านก็ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นสูงสุด แล้วพอกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็มาเป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะราชกุมารเป็นลูกของพระเจ้าแผ่นดินมีประสาทสามฤ ด, ดูมีบริสัทบริวารมาคอยรับใช้คอยให้ความสุขต่างๆตลอดเวลา24ชั่วโมงนี่คืออันนิสง์ของการสร้างทานบามีอย่าไปหลงไหลกับความสุข ในโลกนี้เป็นความสุขประเดียวประดาวตายไปก็จบซื้อรถห้าล้านตายไปก็จบซื้อรถสี่ล้านตายไปรถก็จบเหมือนกันแต่ซื้อรถหนึ่งล้านยังมีเงินสี่ล้านไปทำบุญเงินสี่ล้านนี้ไม่หายเงินสี่ล้านนี้เหมือนเอาไปฝากธนาคารบุญชาหน่ากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะมีเงินสี่ล้านบวกดอกเบี้ยรอเราอยู่กลับมาจะรวยกว่าเกา่า นี่คืออ น, นิสง์หรือของทานบารมีจะจะพัฒนาจะดึงจิตใจของเราให้สูงขึ้นจากการเป็นมนุษย์ไปสู่การเป็นเทวดาและพอเราได้ไปเป็นเทวดาพอเรากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่เราก็จะมาเกิดดยกว่าเก่าเพราะเงินทองที่เราทำบุญนั้นเป็นเงินทองที่ฝากไว้ในธนาคาร พอกลับมาเกิดก็จะมาเกิดเป็นลูกของคนรวยไม่ต้องไปเริ่มต้นที่ศูนย์เป็นเป็นคนยากจนนี่คือเรื่องของบา ร, รมีข้อที่สาคือทานบา ร, รมีถ้าเราต้องการที่จะพัฒนาจิตใจของเราจากมนุษย์ให้เป็นสู่เทพชั้นต่างๆเราต้องสร้างทานบา ร, รมีกันแล้วถ้าเรายังอยากจะพัฒนา จิตใจของเราให้สูงขึ้นเพราะความสุขยังมีมากกว่าความสุขของเทวดารอรออยู่ก็คือความสุขของสวรรค์ชั้นพรหมการจะสร้างการจะขึ้นส่งจิตใจให้ขึ้นสู่สวรรค์ชั้นพรหมได้ก็ต้องมีการสร้างเนคขมะบา ร, รมีเนคขมะบา ร, รมีแปลว่าอะไรเนคขมะแปลว่าการออกจากการหาความสุขทางกามะ คุณห้านี้เองการไม่แสวงหาความสุขทางการมคุณห้าคือไม่หาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายผู้ที่ต้องการจะเป็นพรหมนี้จะต้องสละความสุขขั้นหยาบเพื่อจะได้ความสุขขั้นละเอียดความสุขขั้นละเอียดนี้เกิดจากการที่เราไปทำใจให้สงบการที่เราจะทำใจให้สงบได้เราต้องยุติ การหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายนั่นเององั้นถ้าเราอยากจะขึ้นสู่ความสู่ภพชาติที่สูงกว่าบภพบของเทพก็คือพพของพรหมที่มีสองระดับคือรูปประพรมกับรูปประรมเราก็ต้องมาสร้างเนคขมมะบารมีกันเนคขมมะบารมีคือการยุติการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นไก่ คือการมาถือศีลแปดนั่นเองศีลแปดศีลสิบศีลสอง้อยยี่สิบยี 10, ิบเจ็ดข้อนี้เรียกว่าเป็นการสร้างเนคคัมมะบารมีเพราะผู้ที่ถือศีลเหล่านี้จะจะละเว้นจากการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเช่นศีลข้อสามถ้าเคยสือถือศีลห้าอยู่ศีลข้อสามนี้ยังไม่ห้ามให้หาความสุข จากการร่วมหลับนอนกันได้เพียงแต่ว่าต้องหลับนอนกับคู่ครองของเราคือสามีหรือภรรยาของเราเท่านั้นแต่ถ้าเราต้องการที่จะขึ้นสู่ระดับชั้นพรหมเราต้องหยุดการหาความสุขจากการร่วมหลับนอนกันศีลข้อสของศีแ8ดก็จะกลายเป็นอบ ร, รมัจจาิยาเวรมณีคือจะถือสีนพรหมจันทร์นั่นเอง จะไม่มีการเสพกามไม่มีการร่วมหลับนอนกันถึงแม้จะเป็นสามีหรือภรรยากันก็ตามจะถ้าต้องการที่จะพัฒนาจิตใจให้สูงขึ้นก็ต้องสละความสุขที่ได้จากการเสพกามไปถือศีลข้อสาของศีลแปดเป็นพรหมจรรย์แล้วก็เพิ่มศีลข้อหกคือไม่หาความสุขจากการรับประทานอาหาร จะรับประทานอาหารเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเพื่อบำรุงรักษาร่างกายไม่ให้หิวโหวยเท่านั้นกินอาหารเพื่อดับความหิวโหวยดับความต้องการของร่างกายแต่จะไม่ใช้การรับประทานอาหารเป็นเครื่องมือหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเช่นไปหาอาหารที่เห็นแล้วถูกปากถูกใจเห็นแล้วน้ำลายไหล ถ้ารับประทานอาหารแบบนี้เรียกว่ารับประทานด้วยความอยากอยากหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายจากอาหารวิธีที่จะรับประทานแบบไม่ไม่ไม่ไม่เสพกามก็คือพยายามรับประทานอาหารที่เราไม่ชอบหรือว่าถ้าเราชอบอาหารที่เราชอบก็เอามารวมกันในภาชนะเดียวกันแล้วก็คลุกมันให้เป็นเหมือนข้าวสุนัข จนเห็นแล้วไม่มีความอยากจะรับประทานเราค่อยรับประทานเข้าไปขอให้คิดว่าเดี๋ยวอาหารต่างๆที่เรารับประทานนี้มันก็ต้องไปรวมกันอยู่ในท้องอยู่ดีงั้นก่อนที่มันจะไปรวมอยู่ในท้อง mm. ก็ให้มันรวมอยู่ในชามนี้จะเป็นไรไปเพราะเวลาที่มันรวมอยู่ในชามนี้มันจะฆ่ากิเลสฆ่ากามตันหาได้ฆ่าความอยากเสพกามได้นั่นเองถ้าอยากจะตัดการ หาความสุขจากการรับประทานอาหารก็คือต้องรับประทานไม่มากเช่นไม่ไม่มากไม่เกินเที่ยงวันก็พอเพียงสินผ่านนี้จะให้รับประทานไม่ให้มากรับประทานแค่เที่ยงวันก็พออยู่ได้น่างกายไม่ตายถ้าได้รับประทานอย่างน้อยวันนึงครั้งหรือสองครั้งก็พอแล้วถ้าอยากจะรับประทานแบบไม่ให้มันเกิดกามขึ้นมาเกิดความอยากขึ้นมา ก็เอาอาหารที่เราจะรวมที่จะกินเข้าไปในท้องนี้เอามารวมกันในชามก่อนเอามาคลุกกันทั้งของหวานของข้าวของเค็มของจืดทั้งข้าวทั้งกับทั้งขนมทั้งเครื่องดืม่มอะไรที่เราจะรับประทานอะไรที่เราจะเอาใส่เข้าไปในท้องนี้เอามาใส่ในภาชนะอันเดียวก่อนแล้วคลุกมันเข้าไปแล้วก็ตักกินเข้าไปเหมือนกันเดี๋ยวมันก็ไปรวมกันในท้องอยู่ดี จะแยกกินทีละอย่างมันเดี๋ยวมันก็ต้องไปรวมกันในท้องถ้าถ้าแยกกินกันทีละอย่างเมื่อกินแบบการมัสุขนั่นเองกินเพื่อหาความสุขจากการกินอาหารต้องกินอาหารชนิดนี้ก่อนต้องกินของนี้ก่อนของนั่นมาทีหลังอกินรวมกันไม่ได้หรือบางทีแม้แต่มาปนกันนิดหนึ่งก็กินไม่ได้นะเช่นของขาวไปถูกของหวานหน่อยไปถูกขนมหน่อยนี่ก็ไม่อยากจะกินละอย่างนี้ อยากกินแบบนี้ถ้าเราต้องการที่จะเลิกเสพการมเลิกหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสเราต้องกินอาหารแบบไม่อยากกินวิธีที่ไม่อยากกินก็ทำให้มันไม่น่ากินเอามาคุกกันเอามารวมกันแล้วาทำให้การที่เราจะมาคิดถึงาอาหารนี้มันหมดไปเราจะทำให้ถือศีลข้อหกนี้ได้อย่างสบาย ก็มันจะไม่มีความอยากกินอาหารนึกถึงอาหารทีลายก็เห็นอาหารที่มารวมกันในชามแล้วก็กินไม่ลงนะก็จะไม่ทรมานใจจะทําให้สามารถรักษาศีลข้อหนี้ได้อย่างง่ายได้นะนอกจากศีลข้อหกแล้วก็ต้องมาถือศีลข้อเจดและข้อแปดข้อเจ็ดก็ให้ยุติการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นการในรูปแบบของพวกบันเทิงต่างๆมหรสลพต่างๆ ร้องราทําเพลงต่างๆความสดการเสริมสวยความงามต่างๆของทางร่างกายของเหล่านี้มันเป็นการมาสุขเป็นการหาความสุขจากการเสพรูปเสียงกลิ่นนนที่สู้ความสุขที่ได้จากการมาทําจิตใจให้สงบเป็นสมาธิเป็นฌานไม่ได้ถ้าเรายังวุ่นวายกับการหาความสุขเหล่านี้อยู่ เราก็จะไม่มีเวลาที่จะไปฝึกสมาธิไปทำใจให้สงบให้ใจเป็นฌานเป็นรูปฌปานเป็นอรูปฌานได้เราจึงต้องมาละเว้นจากการหาความสุขจากโมหะโลศบันเทิงต่างๆและเราก็ต้องมาบังคับไม่ให้นอนมากเกินไปสีลก็แปดนี้มีไว้เพื่อไม่ให้เรานอนมากเกินไปให้นอนเพื่อพักผ่อนร่างกาย ร่างกายนี้ตามปกติถ้าได้นอนคือละสี่ห้าชั่วโมงก็จะพอแล้วถ้านอนแล้วสี่ห้าชั่วโมงมันจะตื่นขึ้นมาแต่ถ้านอนบนฟูกหนาะๆนะบนเตียงใหญ่ๆถ้ามันสบายพอร่างกายได้พักผ่อนหลับนอนพอแล้วพอร่างกายตื่นขึ้นมาจิตใจจะไม่ยอมตื่นจิตใจจะขอนอนต่อเพราะมัน ติดกับความสุขที่เกิดจากการได้หลับนอนบนฟูกหนาๆบนเตียงใหญ่ๆดังนั้นวิธีที่จะกแก้ก็คือให้นอนบนพื้นแข็งๆอย่าไปนอนบนฟูกหนาๆที่มันสบายมากเกินไปนอนบนพื้นแข็งๆพอร่างกายเหน็ดเหนื่อยมันก็หลับได้แล้วพอร่างกายตื่นขึ้นมาใจก็ไม่อยากจะนอนต่อเพราะมันไม่สบายนอนแล้วมันเจ็บหลัง สู้ลุกขึ้นมานั่งสมาธิดีกว่าอ่านี่คือเนคขัมมะบรมีถ้าเราต้องการที่จะสร้างอ่สวรรค์ระดับพรหมโลกคือระดับรูปประพรมหรืออรูปประพรมเราต้องมีเวลามาสร้างสมาธิมาสร้างฌานสร้างรูปฌปานสร้างอารูปฌปานกันถ้าเราไม่ถือศีลแปเดี๋ยวเราก็ไปเที่ยวกันได้ พอศีลห้านี้ไม่ห้ามจะการเที่ยวกันไม่ห้ามการรับประทานอาหารตอนค่ำตอนเย็นกันรับประทานอาหารได้ตลอดยี่บสี่ชั่วโมงเลยถ้าถือศีลห้าเพียงแต่ว่าอย่าไปขโมยอาหารของผู้อื่นเขามารับประทานเท่านั้นแต่ถ้าเป็นอาหารของเราในศีลห้าไม่ห้ามไม่มีเวลาห้ามจะกินตอนไหนเวลาไหนได้หมดแต่ถ้าถือศีลแปดแล้วกินไม่ได้ เพราะเราต้อ ง, งต้องการรังงับการหาความสุขจากการรับประทานอาหารนั่นเองเพื่อที่เราจะได้มีเวลามาฝึกสมาธิทำใจให้สงบแล้วการรับประทานอาหารมากเกินไปก็จะเป็นอุปสรรคต่อการมาฝึกสมาธิเพราะเมื่อรับประทานอาหารมากๆอิ่มท้องแล้วมันจะขี้เกียจมันอยากจะนอนหนังท้องตึงแล้วหนังตาจะหย่อนนั่งสมาธินี่ก็จะหลับการที่จะนั่ง เข้าสมาธิก็จะเข้าผวางหลับนั่งไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรไม่ได้ทําให้จิตใจเข้าสู่ฌานเข้าสู่สมาธิได้ไม่สามารถทําจิตใจให้ลกยกระดับจากการเป็นเทพขึ้นไปสู่การเป็นพรหมได้ถ้าอยากจะเป็นพรหมนี้จําเป็นที่จะต้องถือเนกสร้างเนกขัมมะบารมีต้องพยายามหัดถือศีลแปดกัน ถ้ายัางไม่เคยถือศีลแปดเลยก็เริ่มที่วันพระสมัยพุทธกาลวันพระก็คือวันหยุดวันหยุดพุทธบอยสัตว์ผู้ที่ต้องการที่จะพัฒนาจิตใจให้สูงขึ้นก็จะไปอยู่วัดไปถือศีลแปดกันแล้วก็ไปฝึกสมาธิกันถ้ายัางไม่เคยถือศีลแปดก็ลองถือดูในวันหยุดสมัยนี้ วันพระอาจจะไม่ตรงกับวันหยุดของเราเราก็เลือกเอาวันหยุดของเราเป็นวันพระก็ได้พอเรามีวันหยุดมีวันว่างเราก็ไปหาวัดที่เขามีการปฏิบัติเนคขมะมีการปฏิบัติสมาธิเราก็ไปขออยู่ที่วัดนั้นเพื่อที่เราจะได้มาสร้างเนคข ม, มะบารมีและมาสร้างอุเบกขาบารมีอุเบกขาบารมีก็คือ ผลที่ได้รับจากการทำใจให้สงบนี่อพอใจสงบเข้าสู่รูปฌปานได้เข้าสู่อรูปฌานได้ใจก็จะมีอุเบกขาขึ้นมาอุเบกขาคือใจที่ว่างจากอารมณ์ต่างๆว่างจากความรักความชังความกลัวความหลงใจจะสักแต่ว่ารู้จะเฉยๆจะมีความสุขมาก เวลาเห็นอะไรได้ยินอะไรจะไม่เดือดร้อนใครจะด่าใครจะว่ายังไงฟังแล้วจะรู้สึกเฉยเฉยใครจะชมก็ก็เฉยเฉยไม่ดีใจใครจะด่าก็ไม่เสียใจเวลาใจมีอุเบกขาใจมีความอิ่มมีความพอมีความสุขในตัวเองจึงไม่ต้องอาศัยคําเยินยอความควาชมของผู้อื่นมาให้ความสุข แล้วก็ไม่ต้องมาเสียใจกับคำดูดดาข้อลหานินทาของผู้อื่นเพราะใจไม่มีอารมณ์ไม่หิวกับคำสรรเสริญหรือนินทาถ้าใจมีอุเบกขานั่นแหละคือความสุขของระดับพรหมเกิดจากการที่เรามาเจริญเนคข ม, มะบารมีกันไปถือศีลแปดแล้วก็ไปอยู่วัดที่มีการปฏิบัติธรรม การปฏิบัติธรรมก็ต้องเป็นวัดที่มีความสงบไม่มีอะไรมาคอยรบกวนใจเฉพาะเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆเพราะถ้ามีรูปเสียงกลิ่นรสมาสัมผัสปั๊บนี่มันจะมาก็ตุ้นกามารมณ์ขึ้นมาทันทีได้กลิ่นอาหารนี่ก็จะหิวขึ้นมาทันทีได้ยินเสียงเพลงก็อยากจะร้องนำทำเพลงขึ้นมาทันทีแล้วพอไม่ได้ทาก็จะรู้สึกเหงารู้สึกเศร้าซ้อย รู้สึกทรมานใจและอาจจะทนไม่ไหวอาจจะต้องขอกลับบ้านไปก็ได้ดังนั้นผู้ที่จะไปสร้างให้ข ม, มารบารมีไปสร้างอุเบกขาบารมีนี้จำเป็นที่จะต้องไปหาวัดที่เงียบๆที่ห่างไกลจากแสงสีเสียงต่างๆเพื่อที่จะได้มาเจริญสติเพราะการที่จะทำให้ใจสงบเป็นอุเบกขา เป็นรูปปานเป็นอรูปปัจจานขึ้นมานี้จจำเป็นต้องมีสติควบคุมความคิดให้ได้ต้องหยุดความคิดให้ได้เพราะว่าถ้ายังคิดอยู่ใจก็สงบไม่ได้ถ้าอยากจะให้ใจสงบนี้ต้องควบคุมไม่ให้คิดด้วยการบังคับให้เพ่งอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเช่นถ้านั่งสมาธิจะเพ่งอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกก็ได้ ให้เพ่งดูที่ลมเพียงอย่างเดียวลมเข้าก็รู้ลมออกก็รู้ให้เพ่งอยู่แถวบริเวณปลายจมูก <c oughs> ไม่ต้องตามลมเข้าไปเพราะการตามลมเข้าตามลมออกเป็นการทำงานของใจใจจะไม่นิ่งต้องการให้ใจนิ่งใจต้องเพ่งอยู่ที่เดียวเพ่งอยู่ที่จุดเดียวที่ปลายจมูกหรือบางท่านจะไปเพ่งอยู่ที่กลางหน้าอกก็ได้กลางหน้าอกก็เป็น แบบยุบหนอ่อพองหนอ่อดูที่หน้า อ, อกเวลาหน้า อ, อกยุบก็เรียกว่าลมออกเวลาหน้า อ, อกบานขึ้นมาพองขึ้นมาก็เรียกว่าลมเขา้าก็เหมือนกับดูลมเพียงแต่เปลี่ยนที่ดูลมแทนที่จะดูที่ปลายจมูกก็มาดูที่หน้า อ, อกหน้าท้องเหมือนกันเป็นการเพ่งเหมือนกันเพ่งอยู่ที่จุดเดียวลมเข้าก็รู้ว่า พองหนาลมออกก็รู้ว่ายุบหนาะจะพูดก็ได้ไม่พูดก็ได้ให้รู้เฉยๆก็ได้รู้ว่าออหน้าอกตอนนี้พองขึ้นตอนนี้หน้าอกยุบเข้าไปเท่านั้นให้เพ่งอยู่อย่างนั้นอย่างเดียวเพื่อที่จะได้หยุดความคิดต่างๆหรือจะดูที่ปลายจมูกก็ดูว่าตอนนี้ลมกำลังเข้าลมกำลังออกลมสั้นก็รู้ว่าสั้นลมยาวก็รู้ว่ายาว ลมหยาบก็รู้ว่าหยาบลมละเอียดก็รู้ว่าละเอียดไม่ต้องไปควบคุมบังคับลมไม่ต้องไปหายใจลึกๆยาวๆอันนี้เป็นการทำงานของจิตใจถ้าจิตใจทำงานมันก็จะไม่สงบไม่ให้จิตใจทำงานให้จิตใจรู้อย่างเดียวรู้เฉยๆนั่นเป็นจุดของการไม่ทำงานของใจคือการสักแต่ว่ารู้รู้รู้เฉย ๆ, ๆ ถ้าไปบังคับให้ร่างกายหายใจลึกๆหายใจยาวๆอันนี้จะเป็นการทำงานของใจถ้าใจยังทำงานอยู่ใจจะสงบเป็นฌานไม่ได้เป็นสมาธิไม่ได้เป็นอุเบกขาไม่ได้ใจต้องรู้เฉยๆรู้ว่าลมเข้ารู้ว่าลมออกรู้ว่าลมยากรู้ว่าลมละเอียดลมหายไปก็ให้รู้ว่าหายไปไม่ต้องตื่นเต้นตกใจ ไอรู้ว่าตอนนี้ไม่มีลมก็รู้กับความว่างไปดูไปเรื่อยๆอยู่กับความว่างไปอย่าปล่อยให้อย่าถ้ามีความคิดโผล่ขึ้นมาก็หยุดมันอย่าไปให้มันคิดให้มันอยู่กับความว่างไปแล้วเดี๋ยวใจก็จะเข้าสู่อุเบกขาเข้าสู่ฌ า, านฌ า, า, านได้เข้าสู่ความสงบได้พอจิตสงบแล้วก็จะได้สัมผัสกับความสุขที่ไม่มี อะไรในโลกนี้เหมือนที่เรียกว่านัตสันติปรังสุ ข, ขังสุขอื่นที่เหนือกว่าความสงบไม่มีเอสุขต่างๆที่ได้รับการได้รับจากการแต่งตั้งให้เป็นนั่นเป็นนี่ได้รับจากการได้ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งได้รับการได้รับรางวัลเหรียญรางวัลต่างๆเหรียญเงินเหรียญทองเหรียญทองแดงเอหรือได้ไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆได้ไปกินไปดืม่มตามร้านอาหารหรูหรา มีราคาแพงๆความสุขเหล่านี้เทียบกับความสุขที่ได้จากการทําใจให้สงบไม่ได้ถ้าเราได้จิตที่สงบได้อุเบกขาแล้วเราก็จะได้ความสุขอันนี้ความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงความสุขระดับนี้เรียกว่าเป็นความสุขของของพรหมโลกมีสองชั้นชั้นรูปประรมกับอรูปประพรม รูปประพรมก็คือฌานสี่รูปประฌานสีอารูปประพรมก็คืออารูปประฌานสีที่จะได้จากการที่มาฝึกสมาธิฝึกสติกันต้องคอยควบคุมความคิดต้องควบคุมตั้งแต่ตอนที่เรายังไม่ได้มานั่งถ้ามาเริ่มควบคุมตอนที่เรานั่งนี้จะไม่กําลังไม่มากพอจะนั่งไม่ได้นานจะนั่งไม่ไหวนั่งแล้วเดี๋ยวจะเกิดอาการอึดอัดขึ้นมา จนทนนั่งไม่ได้จะนั่งได้นานๆนี้จะต้องมีสติก่อนมานั่งต้องคอยควบคุมความคิดตั้งแต่ตื่นขึ้นมาเลยถ้าเราไปถือในขัมมะไปปฏิบัติธรรมที่วัดเราก็ไม่ต้องคิดอะไรว่าไม่มีอะไรให้เราต้องคิดเนี่ยมีแต่คิดอยู่เกี่ยวกับเลี้ยงดูปากท้องร่างกายของเราเท่านั้นเองพอตื่นขึ้นมาพอจะไปคิดถึงคนนั้นคนนี้คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้เราต้องห้ามมัน ต้องใช้คำบริกรรมมาห้ามเหมือนฝึกคำบริกรรมไว้พุทโธพุทโธพุทโธไปพอลืมตาขึ้นมาจะคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็พุทโธพุทโธไปพอต้องไปทําธุระส่วนตัวก็ใช้พุทโธกรรมกลับไปอย่าปล่อยให้ใจคิดถึงคนนั้นคนนี้อาบน้ําก็พุทโธไปล้างหน้าแปรงฟันก็พุทโธไปแต่งเนื้อแต่งตัวก็พุทโธไปหวีผ้าหวีผมก็พุทโธไป รประทานอาหารก็พุโทโธไปทํำธุระอะไรที่ต้องทําก็พุโทโธไปกวที่พักทําความสะอาดที่พักก็พุโทโธไปพอว่างก็เดินจงกรมไปก็พุโทโธไปพออยากจะมานั่งหลับตาก็พุโทโธไปหรือจะเปลี่ยนจากพุโทโธมาเป็นดูลมหายใจก็ได้ถ้าเรามีสติมีพุโทโธคอยกํากับความคิด อยู่เรื่อยๆใจจะว่างใจจะเบาใจจะเย็นจะสบายจะไม่มีความอยากที่จะไปทำนู่นทานี่พอนั่งเฉยๆก็จะไม่รู้สึกอึดอัดนั่งแล้วจะรู้สึกสบายก็จะสามารถนั่งได้นานสามารถนําใจเข้าสู่สมาธิต่อไปได้นี่คือขั้นของการที่จะพัฒนาจิตใจให้ขึ้นจากสวรรค์ชั้นเทพขึ้นสู่สวรรค์ชั้นพรหม ต้องยุติการหาความสุขทางรูปเสียงกลิ่นรสผลพทพะคือต้องเจริญเนคข ม, มบาลเมก็คือถือศีล8ศีล10ศีล2องกันแล้วแต่สถานภาพถ้าบวชเป็นอุบาสกอุบาสิกาก็ถือศีลแปถ้าบวชเป็นเนนหรือเป็นแม่ชีก็ถือศีลสิบก็ได้ศีลแปก็ได้ถ้าสัมมนเนรก็ต้องศีลสิบถ้าบวชเป็นพระก็ต้องถือศีลสองร้ิบเจ็ด อันนี้เป็นวิธีที่จะห้ามจิตใจไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆเรียกว่าเป็นการเจริญเนคข ม, มะบารมีพอเรามีศีลเราก็จะมีเวลาที่จะมาเจริญสติมานั่งสมาธิเพื่อสร้างอุเบกขาบารมีสร้างความสงบที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงได้ พอเราได้ความสุขทั้งปวงแล้วจิตใจของเราถ้าตายไปถ้าน่างกายตายไปตอนนั้นจิตใจก็จะไปเกิดบนสวรรค์ชั้นพรหมเพราะจิตใจได้เป็นพรหมแล้วพรหมเป็นพรหมด้วยฌานเป็นพรหมด้วยรูปฌปานอารูปฌปานถ้าได้รูปฌปานก็จะเป็นรูปประผมถ้าได้อรูปฌปานก็จะได้อรูปประผมอรูปประรมก็มีความสุขมากกว่ารูปประรม รูปภปพมันก็มีความสุขมากกว่าเท พ, เ ท, พทั้งหลายเทพก็มีความสุขมากกว่ามนุษย์นี่คือระดับความสุขต่างๆที่จิตใจของพวกเราสามารถที่จะพัฒนาให้เกิดขึ้นได้จากมนุษย์ขึ้นมาเป็นเทพจากเทพขึ้นมาเป็นพรหมแต่ความสุขเหล่านี้มันยังอยู่ภายใต้กฎของอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่คือมัน ยังมีวันที่จะเสื่อมวันที่จะหมดไปได้จิตใจได้เป็นเทพได้เป็นพรหมแล้วอยู่เป็นพรหมได้ระยะหนึ่งพอบุญที่ส่งให้ไปเป็นพรหมหมดลงจิตใจก็ต้องเสื่อมลงมาจากสวรรค์ชั้นพรหมมาสู่สวรรค์ชั้นเทพจากสวรรค์ชั้นเทพก็จะเสื่อมลงมาสู่การมาเป็นมนุษย์ใหม่พอกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ก็มาสร้างบุญบรารมีอย่างที่พวกเราทํากันอยู่ ตอนนี้ใหม่มาสร้างเมตตาบรารมีใหม่สร้างศีลบรารมีใหม่สร้างทานบรารมีใหม่สร้างเนคัมมะบรารมีใหม่สร้างอุเบกขาบรารมีใหม่เราก็จะเวียนว่า ย, ย่างนี้ขึ้นๆลงๆอย่างนี้ไปเรื่อยๆถ้าเราอยากจะขึ้นแบบไม่ลงนี้เราต้องขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งต้องสร้างบรารมออีอีกชนิดหนึ่งเรียกว่าปัญญาบรารมี ปัญญาบรารมีนี้จะสร้างได้ก็ต้องมีพระพุทธศาสนามาสอนเท่านั้นถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาคือไม่มีพระพุทธเจ้าหรือพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือพระอริยสงสาวกของพระพุทธเจ้าจะไม่มีใครรู้วิธีสร้างปัญญาบรารมีกันจะสร้างได้แค่อุบเบกขาบรารมีเนคข ม, มะบรารมีศีลบรารมีทานบรารมีมเมตตาบรารมีเท่านั้น จะต้องรอให้มีพระพุทธเจ้ามาตัดสรุปปัญญาบารมีปัญญาบารมีก็คือการเห็นอริยสัจสี่นี่เองเห็นทุกขสมุทัยนิโรธมากเห็นอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาถ้าผู้มีปัญญาบารมีเห็นเห็นเห็นอริยสัจสี่เห็นไตรลักเห็นอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาก็จะสามารถรักษาใจที่ได้ได้ระดับของ ของพรหมโลกนี้ไม่ให้เสื่อมลงไปได้ให้อยู่อย่างถาวรด้วยการใช้หลักของปัญญาที่เห็นว่าเหตุที่มาทำให้จิตใจเสื่อมจากสวรรค์ชั้นต่างๆก็คือตันหาความอยากกามตันหาภาวะตัญหาวิภาวะตันหาและความสุขที่ได้จากกามาตันหาภาวตันหาวิภาวะตัญห า, ะะญหาก็เป็นอนิจจังไม่เที่ยงไดมาแล้วเดี๋ยวก็หมดไป หมดไปแล้วก็จะสุขก็จะกลายเป็นทุกข์ขึ้นมาถ้าไม่อยากจะเจอความทุกข์ก็หยุดตัณหาทั้งสามนี้หยุดกามาตัณหาหยุดภาวะตัณหาหยุดวิภาวะตัณหาด้วยปัญญานี่คือการสร้างปัญญาบารมี บ, บารมีขั้นสุดท้ายถ้าใครมีบารมีมีปัญญาบารมีเห็นเห็นไตรลักษณ์เห็นอริยสัจสี่ก็จะสามารถที่จะ รักษาจิตใจที่สงบที่ได้จากการเจริญฌานนิ้มให้หยุดให้สงบต่อไปอย่างถาวรได้อย่ามาให้มันเสื่อมอีกต่อไปพอเวลาเกิดความอยากที่จะมาทำให้ความสงบนี้เสื่อมไปก็ตัดมันไปอย่าไปทำตามความอยากพอไม่ไปทำตามความอยากความอยากก็หายไปพอความอยากหายไปเหตุที่จะมาทำให้ใจเสื่อม จากความสงบก็จะหายไปจิตก็จะสงบต่อไปแล้วก็จะสงบแบบทาวอเรียกว่าปรมังสุขขังสงบอย่างท้าวรสุขอย่างท้าวรเพราะได้กาจัดความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจให้หมดสิ้นไปด้วยปัญญาบารมีนี้เองอันนี้เป็นขั้นสุดท้ายของการพัฒนาจิตใจคือพัฒนาให้ขึ้นสู่ระดับของพระนิพพานนี้เอง ปานิพานก็คือจิตใจที่สงบปราศจากตัณหาทั้งสามคือกามตัณหาภาวตัณหาวิภาวตัณห า, า, หาด้วยอำนาจของปัญญาบา ร, รมีถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาสอนเรื่องปัญญาบา ร, รมีหรือมีพระธรรมคาสอนหรือพระอริยสงสารวกจะไม่มีใครสามารถที่จะเจริญปัญญาบา ร, รมีได้เพราะเป็นสิ่งที่เข้าเข้าถึงได้ยากที่สุด เรียนรู้ได้ยากที่สุดคือปัญญาบา ร, รมีบา ร, รมีอย่างอื่นนี้สามารถเรียนรู้กันได้เมตตาบา ร, รมีนี่เรียนกันได้ทานบา ร, รมีศีลบา ร, รมีเรียนกันได้เนคข ม, มะบารามีอุเบขาบา ร, รมีนี้เรียนกันได้แต่ปัญญาบา ร, รมีนี้เรียนกันไม่ได้นานๆาจะต้องมีคนฉลาดระดับพระโพธิสัตว์เท่านั้นที่จะสามารถมาเข้าถึงปัญญาบา ร, รมีได้ ยุค ข, ของเราก็คือพระพุทธเจ้าของพวกเราเจ้าชายสิทธัตถะที่ได้ออกบวชนี่ท่านก็เป็นโพธิสัตว์ที่มีความสามารถมีสติปัญญาล้ำเลิศที่จะสามารถเข้าถึงพระอริยสัจสตตี่ได้เข้าถึงไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาได้ถ้าผู้ใดเข้าถึงไตรลักษณ์เข้าถึงอริยสัจสี่ผู้นั้นก็จะมีปัญญาบา ร, รมีที่จะสามารถปกป้องรักษาจิตใจ ไม่ให้เสื่อมลงไปอีกต่อไปจิตใจจะสงบอย่างตลอดเวลาสงบอย่างเต็มที่เรียกว่าปรมังสุขขังอันนี้เป็นขั้นสุดท้ายของการพัฒนาจิตใจด้วยการมาสร้างบา ร, รมีต่างๆที่พวกเราทุกคนชาตินี้เป็นชาติที่ดีที่สุดเพราะเราสามารถสร้างปัญญาได้ครบทุกสร้างบา ร, รมีได้ครบทุกบา ร, รมี ถ้ามาเกิดในภพชาติที่ไม่มีศาสนาพุทธนี้จะสร้างได้ทุกอัตบา ร, รมีอื่นๆ น, นอกจากปัญญาบา ร, รมีถ้ายังสร้างปัญญาบา ร, รมีไม่ได้การเวียนว่าตายเกิดก็ยังต้องมีต่อไปไม่ว่าจะเกิดอยู่บนสวรรค์ชั้นพรหมแล้วก็ตามกี่ครั้งกี่คราวก็ต้องเสื่อมลงมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วก็ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายกันใหม่ แต่ถ้าได้พบกับพระพุทธศาสนาก็จะได้พบกับปัญญาบารมีที่จะทำให้จิตใจไม่ต้องเสื่อมลงมาอีกต่อไปพอพัฒนาถึงขั้นพรหมโลกแล้วก็จะสามารถอยู่ในระดับนั้นเป็นแบบถาวรต่อไปคือระดับของพระนิพพานได้ด้วยปัญญาบารมีดังนั้นพวกเราจึงควรที่จะเห็นคุณค่าของการที่เราได้มาพบกับพระพุทธศาสนา และประโยชน์ที่เราจะได้รับจากพระพุทธศาสนาที่ไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะสามารถทำให้กับเราได้มีพระพุทธศาสนานี้เท่านั้นที่จะยกระดับจิตของเราให้ขึ้นสู่ขั้นสูงสุดและไม่ต้องเสื่อมลงมาได้ต่อไปดังนั้นตอนนี้เรามีเวลาอย่าปล่อยให้เวลาอันมีค่านี้หมดไปกับเรื่องไร้สาระต่างๆเอาเวลานี้มาสร้าง บ, บารมีต่างๆกันจะดีกว่า เพื่อการที่เราจะได้เข้าถึงการพัฒนาจิตใจถึงขั้นสูงสุดและถึงขั้นที่ไม่มีวันเสื่อมต่อไปการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรยาถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาขลง เอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปปักปติอิทิตังปฏทิตังตุมหังคิปเมวะสมิจจโตสัพเเอปุเรนโตสังกปาจันโทปนะราโสยะธามณิโชติระโสยะธาสัพพิติโยวิวัจจันโตสัพพารโควินัศสตุ มาเตภวันวันตารายสุขีทีคายุโกผวะอภิวัฒนศิลิสะนิจังวุธาปจายโนจตารธรรมวัฏฐานติอายุวันโสุขังภาลังวันนี้เข้ามาเท่าไหร่ทางเฟซบุก เข้ามาทั้งหมด307คน YouTube 174คนวิทยุออนไลน์21คนพูดและฟังบนเขา182คนรวมทั้งหมด684คนครับผมช่วงนี้เป็นช่วงถามตอบปัญหาใครมีคำถามอยากจะถามก็เชิญถามได้ในช่วงนี้เลยเพราะว่าหลังจากที่เลิกแล้วจะไม่ไม่ตอบพราะห ม, หมดเวลา ถ้าอยากจะถามถามในช่วงที่เรามีเวลาคือตอนนี้ถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้ถ้าไม่มีใครถามตอนนี้ก็เอาคำถามทางบ้านก่อน ม, มีคำถามจากคุณกันนัทนันคงธนวัฒน์ขอกราบเรียนถามพระอาจารย์ค่ะจิตมาในทางพระพุทธศาสนาคืออะไร และมีจริงหรือเปล่าถ้าเราเกิดจิตมานโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจไม่สามารถบังคับได้จะเป็นบาปที่เกิดจากทางใจได้ไหมคะและจิตมานที่เกิดขึ้นบ่อยๆเราสามารถจัดการกับมันได้อย่างไรคะต้องนั่งสมาธิเพื่อให้จิตมีสมาธิหรือบริกรรมพุทโธไปตลอดเพื่อควบคุมจิตใจได้หรือเปล่าคะ จิตมารก็คือจิตที่คิดไปในทางที่ไม่ดีคิดไปในทางโลภโกรธหลงคิดไปในทางความอยากต่างๆนี้เราเรียกว่าเป็นจิตของมารวิธีแก้ก็ต้องใช้การปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาสติคือพุทโธพุทโธก็จะช่วยหยุดได้ชั่วคราวถ้ามีปัญญาก็จะหยุดได้อย่างถาวร แต่ก่อนจะผ่านจะได้ปัญญาต้องผ่านสติก่อนต้องฝึกสติให้หยุดความคิดที่ไม่ดีให้ได้แล้วต่อไปก็สอนจิตให้รู้ว่าความคิดไม่ดีมีเป็นพิษเป็นภัยต่อจิตใจพอจิตใจรู้ว่าเป็นพิษเป็นภัยก็จะไม่อยากคิดอีกต่อไปดะงนั้นก็ตอนนี้ถ้ามันคิดขึ้นมามันก็ทําให้เราทุกข์ทำให้เราไม่สบายใจนี่คือผลของจิตมาเวลามันเกิดขึ้น จะทำให้จิตใจเรามีอารมณ์วุ่นวายต่างๆปรากฏขึ้นมาแต่ถ้าเรายังไม่ไปพูดไปทำทางร่างกายก็ยังไม่มีบาปเกิดขึ้นเป็นเพียงแต่อกุศลที่จะสร้างอารมณ์ที่ไม่ดีคือความไม่สบายใจต่างๆให้เกิดขึ้นแต่ถ้าเรามีสติเราก็สามารถระ ง, งับได้เป็นพักๆเช่นพอจิตเริ่มคิดไปในทางที่ไม่ดีเราก็พุโทโธพุโทโธพุโทโธไปเดี๋ยวความคิดที่ไม่ดีนั่นก็จะหายไป แต่จะไม่หายไปอย่างถาวอนเดี๋ยวก็กลับมาอีกถ้าถ้าหยุดด้วยสมาธิได้ก็จะหายไปนานเพราะสมาธิมีกําลังมากกว่าสติแต่ก็ยังไม่หายขาดพอออกจากสมาธิมาเดี๋ยวก็กลับไปคิดเรื่องที่ไม่ดีได้ถ้าอยากจะให้มันหายอย่างเต็มร้อยไม่กลับมาอีกก็ต้องใช้ปัญญาสอนใจให้เห็นโทษของความคิดที่ไม่ดี เหมือนกับเห็นโทษของการเอาของแข็งมาทุบศีรษะเราทุกครั้งที่เราคิดไม่ดีก็เหมือนกับเราเอาของแข็งมาทุบศีรษะเราทาให้เราเจ็บศีรษะเวลาเราคิดไม่ดีจิตเราก็จะร้อนขึ้นมาจิตของเราก็จะวุ่นขึ้นมาทันทีถ้าเราไม่ต้องการให้จิตเราร้อนจิตใจเราวุ่นวายเราก็อย่าไปคิดมันคิดในเรื่องที่ทำให้จิตเราสงบแทน คำถามต่อไปคำถามของคุณเคป๊อโชดช่วงกราบพระอาจารย์เราทำบุญสร้างพระวิหารเจดีย์และไม่ได้สลักชื่อหรือเขียนแผ่นทองไว้ใต้ฐานพระหรือศิลาเลิกบุญที่เราได้ทำไปแล้วจะถึงแก่ตนเองและครอบครัวไหมคะพระอาจารย์ถึงทันทีเลยถึงตั้งแต่ตอนที่เราเบอยจากเงินไปแล้ว บุญเกิดขึ้นตอนที่เราได้สละเงินไปไม่ได้เกิดขึ้นจากการที่เราไปเขียนชื่อปะไว้ตรงนั้นปะไว้ตรงนี้นไม่ต้องกังวลเรื่องของการเขียนชื่อเขียนชื่ออาจจะทำให้บุญน้อยลงไปเพราะทำให้มีความสงสยัยความลังเลความวุ่นวายใจขึ้นมาแต่ถ้าทำแบบไม่ติดชื่อเลยปิดทองหลังพระนี่จะได้ร้อยเปอร์เซ็นเลยได้เต็มร้อยเลย ไม่ต้องกังวลเรื่องชื่อการให้คนอื่นรู้นี่มันก็เป็นกิเลสเป็นความอยากมีหน้ามีตามีเกียอมีอยากให้คนสันละแสนยกย่องอันนี้แทนที่จะทำให้ได้บุญเต็มร้อยมันก็เลยตัดบุญเต็มร้อยออกไปด้วยความอยากความโลภของเราอย่าอย่าทำบุญด้วยความโลภความอยากไม่ต้องการให้ใครแลร้วรู้ถ้าเข้ารู้ก็เรื่องของเขาแต่ไม่ต้องไปบอกให้ช่วยประกาศหน่อยนะ อ่าวันนี้คนนี้ชื่อนี้ได้ทําบุญเท่านั้นเท่านี้หรือขอให้ติดป้ายไว้ที่อ่าแทงน้ําที่ได้สวายหรือกุฏิที่ได้สร้าง น, นี่ไม่จําเป็นต้องไปติดหรอกมันแทนที่จะทําให้บุญได้มากกับทําให้บุญได้น้อยลงไปเพราะเราไปสร้างกิเลส ข, ขึ้นมาที่จะมาตัดบุญที่เราทําให้มันน้อยลงไปมีคําถามจากบนเขานะคะกราบถามพระอาจารย์ แม้ว่าเราศึกษาธรรมะมาสักพักใหญ่แล้วแต่ทําไมจึงรู้สึกว่าจิตยังคงมีความรู้สึกแห้งแลง้งไม่ชุ่มชื้นในจิตครับเพรการศึกษายังไม่ได้ไปทําเปลี่ยนแปลงอะไรในจิตนั่นเองการจะเปลี่ยนแปลงจิตของเราให้มีความสุขมีความชุ่มชื่นต้องเกิดจากการปฏิบัติจากสิ่งที่เราได้ศึกษาการศึกษาเป็นเพี้ยนเหมือนกับดูเมนูที่ร้านอาหาร เวลาไปที่ร้านอาหารคนเสิร์ฟเขาก็เอาเมนูมาให้ดูดูไปถึงกี่ชั่วโมงมันก็ไม่อิ่มต้องสั่งอาหารแล้วเขาก็จะไปทำอาหารที่เราสั่งแล้วพอเข้อาอาหารมาเราก็รับประทานพอรับประทานอาหารแล้วทีนี้ความอิ่มท้องก็ปรากฏขึ้นมาฉันใดความอิ่มใจสุขใจก็เหมือนกันไม่ได้อิ่มด้วยการศึกษาเพราะเป็นเหมือนกับการดูเมนูดูรายการธรรมะต่าง ถ้าอยากจะให้ธรรมะเหล่านั้นมาให้ความสุขกับเราเราก็ต้องปฏิบัติเจนสอนวันนี้สอนให้มีเมตตาบารมีลองแผ่เมตตาดูเวลาใครเขาทำอะไรให้เราโกรธบอกให้อาภัยเขาบอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรแล้วใจเราจะเย็นจะสบายแทนที่จะมามาแคร์กับเขาบางทีเขาพูดไม่ดีตอนเชา้าตอนเย็นนี้เรายังโกรธเขาอยู่นั่น แต่ถ้าเราให้อภัยตั้งแต่ตอนที่เขาพูดไม่ดีมันก็จบไปนานแนะเะฉะนั้นต้องเราต้องพยายามปฏิบัติตามคาสอนเราถึงจะได้เปลี่ยนแปลงความรู้สึกที่มีอยู่ในใจของเราที่ไม่ดีจะเป็นความรู้สึกที่ดีต่างๆปรากฏขึ้นมาตามลำดับคำถามจากบนเขาการฝึกสติต้องทำอย่างไรจึงจะถูกต้องต้องฝึกสติปฐานสี่ใช่หรือไม่ คือสติปัาสีเป็นตำราที่นอกจากฝึกสติแล้วก็ฝึกสมาธิฝึกปัญญาด้วยยันเราไม่ต้องเอาสติปัาสีเอาส่วนที่เกี่ยวกับสติถ้าเราอยากจะเลือเรื่องก า, การเจริญสติสติก็คือการดึงใจของเราให้อยู่ไม่ให้ลอยไปกับความคิดต่างๆปกติใจเราไม่ค่อยอยู่กับเนื้อกับตัวชอบไปคิดถึงเรื่องที่ผ่านมาแล้วเมื่อวานนี้เมื่อเช้านี้ ถ้าไปคิดปั๊บนี่เรียกว่าไม่มีสติละใจลอยไปละหรือไปกังวลกับอนาคตพรุ่งนี้จะเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างนั้นอย่างนี้เรียกว่าใจลอยถ้ามีสติแล้วใจจะอยู่กับเนื้อกับตัวอยู่กับปัจจุบันอยู่กับร่างกายนั่นถ้าใจไม่ยอมอยู่ปัจจุบันไม่อยู่กับร่างกายเราก็ต้องใช้กรรมฐานดึงกลับมากรรมฐานก็คืออารมณ์ที่จะดึงจิตให้กลับมามีสตินั่นเอง ก็คือพุทธานุสติก็คือใช้เราเล็กถึงพระพุทธเจ้าพุทโธพุทโธพอใจลอายไปคิดถึงคนนั้นคนนี้ก็พุทโธพุทโธดึงกลับมาพอพุทโธปับ๊บใจก็จะไม่ไปคิดถึงคนนั้นคนนี้ก็จะกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวได้นี่คือการฝึกสติการฝึกสติจะทำให้เราสามารถควบคุมจิตใจของเราได้ถ้าไม่มีสติจิตใจก็เหมือนเป็นรถที่ไม่มีเบรก รถไม่มีเบรกเวลาจะหยุดก็หยุดไม่ได้ถึงสีแยกไฟแดงพอเจอไฟแดงก็หยุดไม่ได้ก็ต้องวิ่งไปชนกับรถคันอื่นแต่ถ้ามีเบรกล้วก็ถึงไฟแดงแล้วก็หยุดมันใจของเราก็เหมือนกันถ้ามีสติพอจะไปชนกับคนนั้นชนกับคนนี้เราก็หยุดมันมันก็จะไม่มีปัญหาตามมาต่อไปฉะนั้นพยายา ม, มฝึกสติอยู่เรื่อยวิธีง่ายที่สุดก็คือพุทธานุสติ ให้เราเลิกถึงพระพุทธเจ้าเราเลิกถึงชื่อของพระพุทธเจ้าอยู่ในใจพุทธโธพุทธโธไปตั้งแต่ตื่นเลยถ้าไม่ต้องมีความจาเป็นจะต้องคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อย่าปล่อยให้คิดถ้ามันดื้อก็ใช้พุทธโธเดินกลับมาแล้วต่อไปใจเราจะอยู่กับเนื้อกับตัวจะว่างจะสักแต่ว่ารู้รู้เหตุการณ์ต่างๆที่กาลังเกิดขึ้นในขณะนี้แลวเราก็สามารถที่จะควบคุมสถานการณ์ได้อย่างง่ายได้ ถ้าใจเราไปอยู่ที่อื่นเพระเหตุการณ์อะไรกระทำหันขึ้นมาบางทีควบคุมไม่ได้นะอันนี้คือประโยชน์ของสติที่เราหมั่นคนยามหมั่นฝึกวิธีฝึกง่ายๆให้เราเลิกถึงคาว่าพุทโธคำเดียวเท่านั้นเองอนนเราเลิกไปทั้งวันเวลาที่ไม่ต้องใช้ความคิดเกี่ยวกับเรื่องงานการเรื่องเรื่องอะไรที่จาเป็นจะต้องคิดก็อย่าปล่อยมันคิดให้ใจให้ใจว่างดีกว่าให้รู้เฉยๆดีกว่า แล้วใจจะเย็นจะสบายจะไม่มีอารมณ์วุ่นวายคำถามต่อไปของคุณปานจิตทองสมกราบขอถามเจ้าคา่หลวงพ่อแม่ของโยมเป็นโรคสมองเสื่อมเป็นโรคประสาทช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เวลาป้อนข้าวป้อนยาแก่ไม่ยอมกลืนโยมต้องบังคับอย่างนี้โยมจะเป็นบาปติดตัวใหม่เจ้าคา ก็ถ้าจาเป็นจะต้องบังคับเพื่อประโยชน์ของแม่ก็บังคับไปแต่อย่าไปบังคับจนถึงขั้นที่เกิดการทาร้ายแม่คือถ้าแม่เขาไม่ยอมจริงๆก็อย่าไปบังคับเขาเดี๋ยวถึงเวลาก็หิวเขาอยากจะกินเขาก็กินเองขอให้เราคิดว่าแม่ตอนนี้เป็นเหมือนเด็กทารกเนี่ยเวลาเราเลี้ยงเด็กทารกยังไงก็เลี้ยงแบบนั้นนละ เด็กทารกมันจะกินเราก็ให้มันกินมันไม่กินบางทีเราบังคับมันไม่ได้เราก็ไม่บังคับมันบางทีแล้วเอานมจอปากให้มันแล้วมันก็ไม่ดูดก็ต้องปล่อยมันไม่ดูดไปเดี๋ยวมันหิวมันก็คว้ามาดูดเองฉันดแม่ก็เหมือนเด็กแล้วตอนนี้ถ้าแม่ไม่อยากกินก็อย่าไปบังคับดีกว่าปล่อยให้แม่กินตามอัธยาศัยถ้าแม่หิวแม่อยากจะกินแม่ก็จะขอกินเองอย่าไปบังคับกัน อย่างไงก็ต้องตายอยู่ดีไม่ชา้าก็เร็วแตให้อยู่กันอย่างมีความสุขดีกว่าอย่าอยู่กันแบบเป็นคู่อริกันคอยควบคุมบังคับกันคอยให้ความทุกข์ต่อกันอยู่กันแบบมีความสุขดีกว่าเอาอกเอาใจกันตามใจกันดีกว่าร่างกายเป็นของเขา to to เมื่อเขาไม่อยากจะกินก็เป็นเรื่องของเขาเรามีหน้าที่หาอาหารมาให้เขาก็หามาเขาจะกินไม่กินก็เป็นเรื่องของเขา ต่างฝ่ายตามนะต่างฝ่าย ต, าต่างท า, าหน้าที่ของตนแล้วจะไม่มีปัญหาอย่าไปก้าวไก่หน้าที่ของคนอื่นนะอย่าไปบังคับให้เขากินถ้าเขาไม่กินก็ปล่อยเขาไม่ไม่กินไปเขาอยากกินก็หามาให้เขากินเราจะมีความสุขกว่าอยู่กันแบบนี้คำถามต่อไปจากคุณธรรมดาโลกธรรมแปดมีสองคำถามค่ะคำถามที่หนึ่งบารมีสิท กับทานศีลภาวนาเหมือนกันไหมคะถ้าทําให้เป็นนิสัยต้องทําให้มากที่สุดเท่าที่ทําได้ใช่ไหมคะก็คล้ายๆกันเน่ยเพียงแต่ว่ามีความละเอียดมีข้อบางข้อที่ไม่ได้พูดไม่ได้พูดถึงแต่ก็เป็นวิธีพัฒนาจิตใจให้เจริญขึ้นไปตามลําดับจนถึงขั้นสูงสุดคือขั้นพระนิพพานคําถามที่สองการได้โสดาบัน บารมีสิบต้องเต็มทั้งบทก่อนใหมคะก็ต้องถึงขั้นปัญญาบารมีนะถ้ายังขาดปัญญาบารมีอยู่ก็ยังจะไม่สามารถขึ้นสู่ขั้นระดับของพระอริยะบุคคลได้แต่ก็ต้องมีขั้นอื่นส่งขึ้นไปเป็นขั้นบันไดบารมีขั้นอื่นๆเป็นเหมือนขั้นบันไดบันไดขั้นแรกก็เมตตาบารมีขั้นสองก็ศีลบารมีขั้นสามก็ทานบารมี ขั้นสี่ก็เน่ยขำบาลมีขั้นห้าก็เน่ยขำบาลมีอ่ขั้นห้าก็อุเบกขาบาลมีขั้นหกถึงจะถึงขั้นปัญญาบาลมีถ้ายังไม่ผ่านห้าขั้นนี้ไปขึ้นไปขั้นปัญญาไม่ได้ไม่มีกําลังต้องขึ้นไปตามขั้นของบันไดมีคำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามค่ะแกรบในมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะ ขอถามพระอาจารย์เรื่องทานบา ร, รมีเจ้าค่ะแต่ละคนเกิดมารวยจนต่างกันคนมีหนึ่งร้อยบาททําทานห้าสิบบาทจะได้รับทานบา ร, รมีเท่าคนที่มีหนึ่งแสนบาททําทานห้าหมื่นไหมเจ้าค่ะ อ, อ๋อคี้เกียจตอบแล้วเบื่อถามมาไม่รู้กี่ครั้งแล้วทําไปตามกํากลังของเราก็แล้วกันให้คิดอย่างนี้ว่าบา ร, รมีก็เหมือนร่างกายช้างกับ ช้างกับหนูนี่มันก็มีร่างกายไม่เท่ากันใช่ไหมช้างมันต้องกินข้าวถังหนึ่งมันถึงจะอิ่มะหนูมันต้อง ก, กินแค่ช้อนเดียวมันก็อิ่มดังนั้นคนจนนี่ทํางานทําบุญแค่ห้าสิบาทก็อิ่มใจได้คนรวยมีร้อยมีร้อยล้านทำห้าสิบาทมันไม่อิ่มใจหรอกคนรวยก็ต้องทำห้าสิบล้านนี่มันถึงจะอิ่มใจยังให้มองตรงนั้นดีกว่าแล้วเราจะได้ไม่รู้สึกน้อย อ, อกน้อยใจที่ว่าเราจน คนจนกับจะดีกว่าเพราะว่าเสียเงินน้อยกว่าแต่ได้ความอิ่มใจเท่ากันเอคนจนเสียห้าสิบาทก็ได้ความอิ่มใจเท่ากับคนรวยเสียห้าสิบล้านเข้าใจไหยให้มองอย่างนี้เหมือนกับคนคนคนรวยก็เหมือนช้างอะคนจนก็เหมือนหนูฮหนูนี่กินข้าวแค่ช้อนเดียวก็อิ่มท้องนะถ้าช้างให้มันกินข้าวช้อนเดียวมันไม่รู้สึกอะไรต้องให้มันกินสักถังหนึ่งดองนั้นให้มองอย่างนี้ก็แล้วกันเรามี เรามีเท่าไหร่เราก็ทำไปตามกำลังของเราเพราะว่าแต่ละคนมีวาสนาบารมีมาไม่เท่ากันบางคนก็เกิดเป็นช้างบางคนก็มาเกิดเป็นหนูคนรวยก็เป็นช้างคนจนก็เป็นหนูหนูก็อยู่ส่วนหนูกินแบบหนูไปใช่ไหมช้างก็อยู่แบบช้างกินแบบช้างไปแล้วก็ได้ความอิ่มเท่ากันได้บุญเท่ากันพอใจไม่ตอบอย่างนี้ หัน <laughs> จะม่นั่งคิดเลยคนจวยนี่ไม่มีโอกาสจะได้ทำบุญแบบคนรวยทันทีมันไม่ได้อยู่ที่ตรงนั้นอยู่ที่ความอิ่มใจสุขใจคำถามจากคุณสาวๆาวโอสาวสาวอยากอยากถามพระอาจารย์ว่าการสร้างครอบครัวการมีสามีหรือว่าลูกมันเป็นการสร้างภพชาติต่อไปหรือเปล่าคะ หรือว่าเป็นการสร้างเวนสร้างกรรมหรือเปล่าคะถ้าเราเกิดเป็นหญิงถ้าเราไม่มีลูกให้สามีเราจะบาปใหม่คะขอบคุณคะ่ะการมีลูกมีครอบครัวก็เป็นการต่อพบชาติให้ยาวขึ้นเพราะว่าเมื่อเรามีครอบครัวต่อไปเราก็อยากจะมีตระใหม่พอครอบครัวนี้ตายไปเราก็ไปเกิดใหม่ไปหาครอบครัวใหม่ถ้าเราไม่สร้างครอบครัวก็แสดงว่าเราไม่อยากจะมีครอบครัว ชาติหน้าเราก็อาจจะไม่ต้องมาเกิดเพื่อมาสร้างครอบครัวใหม่งั้นการสร้างอะไรมันก็จะเป็นการสร้างพพสร้างชาติแล้วถ้าอยู่ด้วยกันอย่างเป็นคู่อรกันต่อสู้กันก็เป็นเวรเป็นกรรมกันไปก็เป็นการสร้างเวรสร้างกรรมอยู่ด้วยกันเราทะเลาะวิวาทกันมีเรื่องมีราวกันมันก็เป็นเวรเป็นกรรมกันต่อไปอข้อที่สามก็ถามว่าอย่างไงนะ อ๋อ oh, ข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายที่เขาถามเข้ามาอีกนะคะการมีลูกในทางโลกมองว่าเป็นสิ่งสวยงามแต่ในทางธรรมมองว่าเป็นภาระใช่ไหมคะก็เป็นก็อย่างนั้นมันเป็นภาระหรือไม่น่ะอยู่ดีๆก็ไปเอาเด็กมาเลี้ยงเอี่ยมันก็ต้องคอยเลี้ยงดูเขาแล้ถ้าไม่มีเด็กก็ไม่ต้องเลี้ยงอ๋อ oh, คำถามเมื่อกี้เขาบอกว่าถ้าเกิด เราไม่มีลูกให้สามีเราจะบาปไหมคะไม่บาปหรอกอก็ดีเสียกจะไดะ้ไม่ต้องมีภาระมาเลี้ยงดูกันไม่ต้องมามีกองทุกมาให้ต้องห่วงต้องกังวลกันคำถามต่อไป <c oughs> คำถามของคุณสุบินอิฐานนท์กราบเรียนถามพระอาจารย์ลูกมีพี่น้องสี่คนพ่อแม่เสียหมดแล้วมีน้องคนเล็กค้าขายล้มเหลว ลูกฟังธรรมพระอาจารย์แนะนําให้น้องเข้าสู่ทางปฏิบัติไม่ต้องมาเกิดมาผิดหวังเสียใจเหมือนชาตินี้ลูกสอนน้องแบบนี้บังคับบาปใหม่เจ้าคะคือสอนได้แต่จะไปบังคับเขาไม่ได้เขาจะทําหรือไม่ทํานี้เป็นเรื่องของเขาเราเพียงแต่บอกทางให้เขารู้ว่ามีทางเลือกแต่ทางที่ดีถ้าจะบังคับบังคับตัวเราดีกว่า บังคับคนอื่นไม่ได้แต่เราบังคับตัวเราได้ยังต่างที่ดีสอนเราก่อนบังคับตัวเราก่อนดีกว่าอย่าไปสอนคนอื่นเลยเพราะบางทีแทนที่เขาจะมีความทราบซึ้งในความปรารถนาดี <c oughs> เขาอาจจะคิดว่าคิดร้ายกับเราก็ได้ยั้นอย่าไปสอนใครถ้าเขาไม่ยินดีที่จะฟังเราถ้าเขาเดือดร้อนเขามาขอคาปรึกษาก็บอกเขาไป ถ้าอยู่ดีๆเขาไม่เดือดร้อนเราไปเดือดร้อนแทนเ้านี้เดี๋ยวเขาก็จะหมั่นไส้เราเดี๋ยวเขาก็จะว่าเราได้มายุ่งกับชีวิตของเราทําไมคําถามบนข่าวนะคะผมภาวนาดูจิตที่เคลื่อนไปตามอาตนณะทั้งหกตาเห็นรูปจิตรู้เกิดเวทนาจิตรู้เมื่อเวทนาดับลงจิตก็กลับมาอยู่ที่ลมหายใจ แล้วจิตมันก็เคลื่อนไปที่อื่นอีกผมมีสติรู้ตามตลอดเมื่อถึงจุดหนึ่งจิตมันรู้สึกว่ามันช่างไม่ไม่นิ่งเสียเลยคือเห็นความเป็นอ น, นิจจังอันนี้ถูกต้องไหมครับคือแล้วแต่ว่าเรานั่งเพื่ออะไรงไงถ้าเรานั่งเพื่อต้องการให้จิตนิ่งเราไม่ต้องดูสิ่งเหล่านี้ ให้ดูอย่างเดียวคือดูลมหรือดูพุโทโธอย่างเดียวการทำสมาธิให้จิตนิ่งนี่ไม่ต้องไปตามดูเหตุการณ์อะไต่างๆที่ปรากฏขึ้นมาในจิตให้บังคับจิตให้อยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่ง mm. เช่นอยู่กับลมหายใจเข้าออกหรืออยู่กับคำบริกรรมพุโทโธจิตถึงจะนิ่งได้การไปดูอาการต่างๆเหล่านี้มันไม่ทาให้จิตนิง่งแต่การจะทาให้จิตฟุ้งซ่านวุ่นวายใจขึ้นมาได้ ท่านจะนดูจิตเพื่อจิตสงบนี่ต้องดูอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งให้จิตอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งอยู่กับคําบริกรรมพุทโธพุทโธไปเพียงอย่างเดียวหรืออยู่กับการดูลมหายใจไปเพียงอย่างเดียวจิตถึงจะสงบได้นะคําถามจากคุณมงคลศักขูเอ็นแกรบนามัสการพระอาจารย์การเกิดเป็นมนุษย์นั้นเป็นของยากจริงหรือเปล่าขอรับ ก็ดูเสียว่าจํานวนมนุษย์กับจำนวนสัตว์เดรัจฉานในโลกนี้ใครมีมากกว่ากันสัตว์เดรัจฉานนี้มีมากมายกายกองแม้แต่ในป่านี้ก็อาจจะมีมากกว่าสัตว์อมนุษย์ที่มีอยู่ทั้งโลกแล้วก็ได้มีมดมีแมลงมีอะไรเยอะแยะไปหมดพวกนี้เขาเกิดง่ายตายง่ายาเกิดมาไม่กี่วันไม่กี่เดือนก็ตายกันแล้วแล้วเดี๋ยวก็กลับมาเกิดกันใหม่มนุษย์นี่กว่าจะได้เกิดสักคนเนี่ ครอบครัวหนึ่งอาจจะมีแค่คนสองคนนะนอ่แล้วเวลาจะเกิดนี่ก็ต้องใช้เวลาต้องหลายเดือนกว่าจะคลอดออกมาไนดะ้แล้วกว่าจะโตอะไรเหล่านี้การเกิดเป็นมนุษย์จึงยากกว่าการเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานถ้าเป็นถ้าง่ายมนุษย์ต้องมีมากกว่าสัตว์เดรัจฉานนะสัตว์เดรัจฉานนี่ดูเลยจานวนบนท้องฟ้าเท่าไหร่จํานวนบนในป่าเท่าไหร่ จำนวนในน้ําเท่าไหร่เยอะแยะไปหมดมากมายกายกองจึงเกิดง่ายเพราะการจะมาเกิดต้องมีพ่อมีแม่จํานวนพ่อแม่น้อยก็จะมาเกิดได้น้อยมนุษย์มีพ่อแม่น้อยกวพวกปลาพวกนกพวกแมวพวกสุนัขพวกนี้เขามีพ่อแม่มากกว่าก็เลยโอกาสที่จะเกิดเป็นสุนัขเป็นแมวเป็นปลานี่มันง่ายกว่านั่นเองเอาคำถามสุดท้ายนะค่ะ คำถามจากคุณปราณีศรีสุกแก้วดูแลสามีไม่มีเวลาไปรักษาศีลที่วัดเพราะสามีเป็นมะเร็งอย่างนี้ถือว่าได้บุญใหม่จ้าคะอยู่บ้านก็สวดมนต์ภาวนาแต่ไม่ค่อยได้สมาธิเจ้าคะ่ะก็ได้บุญจากการดูแลผู้อื่นดูแลสามีนี่ก็เป็นบุญอย่างหนึ่งแต่ถ้าไม่ได้รักษาศีลแปดก็จะไม่ได้บุญที่เกิดจากการรักษาศีลแปดรักษาได้ก็อาจจะแค่ศีลห้า ถ้ารักษาสินแปดนี้อาจจะยากแต่ก็ไม่สุดวิสัยถ้าเราเคยรักษาได้ก็อยู่ที่ไหนก็รักษาได้ดูแลสามีไปก็ดูแลไปแล้วก็ถือสินแปดของเราไปได้ไม่จําเป็นที่จะท้องไปวัดมีเวลาว่างก็นั่งสมาธิก็ได้เพียงแต่ว่าที่มันอาจจะไม่สะดวกสบายเหมือนกับการไปทําที่วัดเท่านั้นเองแต่ก็ยังสามารถทําได้อยู่เหมือนกับการรักษาโาครคภัยไข้เจ็บ รักษาที่บ้านก็รักษาได้รักษาที่โรงพยาบาลได้ก็ยิ่งดีเพราะโรงพยาบาลจะพร้อมกว่าฉะนั้นใดการปฏิบัติจิตใ จ, จก็เหมือนกันปฏิบัติที่บ้านก็ปฏิบัติได้แต่อาจจะไม่พร้อมเท่ากับการไปปฏิบัติที่วัดเนี่ยฉะนั้นแต่ถ้าเราไปวัดไม่ได้ก็ต้องปฏิบัติที่ที่เราอยู่นั่นแหละอย่าอย่าไม่ปฏิอย่าอย่าไปหยุดการปฏิบัติพยายามปฏิบัติเท่าที่เราจะปฏิบัติได้เพื่อเราจะได้ไม่ถอยหลัง และเพื่อที่เราจะได้เคลืบหน้าต่อไปถึงแม้ว่าจะช้าหน่อยก็ยังดีกว่าไม่เคลืบหน้าเลยเอาแล้วนะวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเถอ